อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมาราปารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กลับมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆเช้าหลังจากที่เปิดสถานีเราก็จะมีรายการธรมรมาราปารุณมาใ้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าที่เดียวค่ะและยิ่งพบกันในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ และเช้าวันอาทิตย์นั้นเราก็จะเป็นเรื่องของการสากชาหรือการสนทนาธรรมะนะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมบริเล้นตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะ ซึ่งสำหรับการพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนค่ะเสาร์ที่29กันยายนปีพุทธศักราช2555นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะโรงนะคะซึ่งถ้าหากว่านับในทางของการปฏิบัติราชการแล้วก็ สาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนซึ่งบรรดาพี่น้องข้าราชการที่เกษียณอายุราชการก็ตามหรือว่าเกษียณอายอุก่อนกำหนดหรือที่เราเรียกกันว่า Early Retire ก็ตามเนี่ยค่ะก็จากนี้ไปก็ไม่ต้องทำงานแล้วนะคะเพราะว่าถือว่าได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติมาด้วยเวลาอันพอสมควรแล้วพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นวันที่บรรดาพี่น้องข้าราชการ อที่เกษียณอายุราชการก็จะถือว่าได้เริ่มต้นพักผ่อนหรือว่าทํากิจการอะไรต่างๆตามที่ได้เคยใฝ่ฝันหรือว่าได้วางแผนไว้นะคะดังนั้นเช้าวันนี้ดิฉันขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูญหรือพีปนโอพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการของเราซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของเปรกเอกพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิตตุโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านจะอาวาสของวัดป่าดอนไหสโกันนะคะ กลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรสาธุเจ้าค่ะในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะเจ้าค่ะเราก็ได้สนทนาหรือสักการะากันได้มีบุญที่หลวงพ่อดรสอาดที่ตัวผโสท่านได้เมตตาที่จะมาร่วมสนทนาด้วยก็พูดกันเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ ข, ของผู้เกษียณอายุราชการนะเจ้าค่ะใชไ่ได้แบ่งเป็นเรื่องของปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจจิมวัยอะไรต่างๆเรียบร้อยกันไปแล้วเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา นั่นก็เป็นการมอบให้กับบรรดาท่านที่จ ะ, กะเกษีณอายุราชการนะเจ้าคะทีนี้พอมาถึงบนเส า, าที่สุดท้ายของเดือนกันยายนซึ่งถือเป็นวันที่ว่าสิ้นสุดปีงบประมาณประจําปีของทางราชการนะเจ้าคะเพราะว่าพอเปิดมาเช้า ว, วันจันทร์วันที่หนึ่งตุลาคมนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเริ่มต้นปีงบประมาณพุศกราพันห้าห้าสบหกันแล้วเจ้าคะ่ะดังนั้นเนี่ยโยบก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ พายุนุพิปุโนโ น, นะเจ้าคะว่าได้อ่มาสนทนาพูดคุยหรือว่าสากาักษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะให้แก่บรรดาท่านที่เกษียณอายุราชการหรือแม้แต่ท่านที่รับราชการอยู่ปัจจุบันก็ตามนะเจ้าคะอาพอขึ้นต้นเดือนตุลาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทหารทุกเหล่าทัพเนี่ยเจ้าคะ่ะ หรือแม้แต่ตํารวจเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับถ้าบางคนได้เลื่อนตําแหน่งนะเจ้าคะก็จะไปรับตําแหน่งใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่นะเจ้าคะบางรายก็อาจจะเปลี่ยนงานใหม่บ้างหรือว่าสําหรับท่านที่มีเจ้านายหรือผู้บังคัญชาเกษรรยียรอายุราชการไปท่านก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้มาทํางานแทนอันนี้ก็เป็นเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเจ้าคะตรงนี้พระอาจารย์จะใหิกาให้ธรรมะ สำหรับท่านข้าราชการหรือว่าผู้ที่เข้าอยู่ในเกณฑ์ที่โยมได้กล่าวมาแล้วนี้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้ า, าค่ะใช่พานก็จากที่ผู้ที่เกษียณอายุหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรับตําแหน่งใหม่ก็ตามเกษียณไปก็ตามเนี่ยมัน<อ>มีส่วนหนึ่งที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือ ท, ท, ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหมพ่อขับมาตมาได้พูดถึงไปนะก็คือเรื่องวัยทั้ง3ามนัคือตั้งแต่ปฐมมวัยมชจีมะวัยแล้วกนะ็ปัจจิมะวัย คือวัยต้นวัยกลางวัยปลายใช่ไหมที่เราได้คุยกันไปบอกว่าเราอย่าประมาทนะทั้งวัยต้นวัยกลางวัยปลายวัยปลายเนี่ยคุณกําลังกระเสียณแล้วหนังงานการอะไรต่างๆลดน้อยลงเราจะมีโอกาสว่างแล้วเราก็เร่บเร่งในการปฏิบัติในขณะเดียวกันคนที่อยู่วัยกลางกับวัยต้นใช่ไหมก็อย่าประมาทเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในวัยนั้นเราควรจะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเมื่อ เพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่ความแก่มาถึงแล้วเราจะได้ไม่เป็นผู้ร้อนใจในภายหลังมันมีประเด็นที่เพิ่มเติมตรงนี้ด้วยว่ า, าหมายความว่าเราเนี่ยอย่าเป็นคนลืมแก่นนคนลืมแก่ลืมแก่เนี่ยเมือ่อหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังสมัยก่อนนู้นก่อนนู้นนี่ก็คือประมาณสัก20ปีมาละที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีพัตารอยู่แห่งหนึ่งก็ตั้งชื่อพัตาว่าพัตารลืมแก่คุญใจ แล้วพัทยารนี้ก็คือเขาเปิดตอนกลางคืนขายเหล้าขายเบียร์มีโชว์อะไรต่างๆให้อานะสมัยยี่สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ย <Okay. S 1> คนที่ไปเที่ยวนี่ก็คือเป็นคนที่อยู่ในวัยกลางคนก็มีวัยอายุมากก็มนะีไปเต้นราอะไรแอนหน้าแอนหลังเลยไปหมดเนี่ยนะ <Okay. S 1> ก็ทําให้เห็นว่าโอ น, นี่ลืมแก่นะนะกลางคืนไปเที่ยวกลางวันมาถึงนอนนะตื่นสายๆงานการไม่เดินต่างๆนี่คือคุณลืมแก่ละ คือเขาตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้แบบว่าคนแก่เนี่ยวลืมไปว่าตัวเองแก่นะไปเที่ยวไปกินไปเล่นให้อย่างเต็มที่นะซึ่งซึ่งคนที่ลืมแก่ก็จะไปที่นี่กันโดยไม่นึกถึงว่าตอนแก่ฉันจะต้องเป็นยังไงอย่างเงี้ยทีนี้คนส่วนใหญ่จะไปคิดว่าลืมแก่ลืมแก่นี่อาจจะเป็นเฉพาะสาหรับคนแก่เท่านั้นนะคือหมายว่าคุณอายุ60แล้วคุณจะมาลืมตัวว่าตัวเองต้องแก่นะหรือว่าตัวเองแก่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้น แต่เพราะจริงๆคำว่าลืมแก่เนี่ยมันรวมถึงผู้ที่อยู่ในปฐมวัยด้วยคนที่อยู่ในวัยต้นวัยกลางอย่างเงี้ยอย่างคนที่เสพยาเสพติดหรือคนที่ไม่ตั้งใจทำหากินเนี่ยคุณลืมไปนะว่าตอนที่คุณแก่เนี่ยคุณจะป่วยคุณต้องโรงพยาบาลคุณต้องใช้เงินมากคุณต้องเก็บเงินตอนนี้นะแต่เพราะว่าความที่เราลืมไปว่าตัวเองจะต้องแก่เนี่ยจึงไม่ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่มีการขยันขันขยันเรียนเป็นต้นมีขยันขันขันแข็งในการทํางานเป็นต้นอย่างเงี้ย พอตัวเองลืมนึกว่าตัวเองต้องแก่ก็เลยลืมหน้าที่ที่เราจะต้องทําในปัจจุบันไปด้วยนะคือพอตัวเองแก่แล้วเนี่ยคนแก่ส่วนใหญ่จะจาได้นะว่าตัวเองแก่เช่นว่าลุกขึ้นมาก็ต้องปวดหลังจะลุกขึ้นมาจากนั่งคัชมาธิ่ีก็ต้องค้าหน้าค้าหลังอย่างเงี้ยเจ้าการเ อ, อ่อหรือว่าไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้โอ้ยมันคือคนแก่แล้วเนี่ยนะเขาได้รับการเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าเขาแก่แล้วจากสังขารใช่ไหมคะจากสังขารของตัวเองแน่นอนอันนี้อันที่หนึ่ง ตื่น <c oughs> เช้ามามันปูวัดไปทั้งตัวเนี่ยลุกไม่ไหวอ่าคุณแก่แล้วนะอ่ามันเริ่มรู้สึกได้นะคุณเดินเดินไปมากหน่อยอ่าทำไมหัวใจเราเต้นไม่ปกติแล้วนะคุณแก่แล้วนะเจ้าค่ะยกของหนั ก, นกคุณปวดเมื่อยหลังเดาะหลังแอน็นนะคุณแก่แล้วนะคนแก่เนี่ยเขาจะได้รับการเตือนอยู่เสมอแล้วว่าตัวเองแก่ <c oughs> ผมงอกฟันร่วงฉีดโบท็อกซ์เดี๋ยวอีกสองสามเดือนก็ต้องฉีดอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันมันก็มีอยู่ตลอดเวลาคือเตือนอยู่แล้วว่าตัวเองแก่ คนที่จะลืมแก่นะี่คือคนหนุ่มต่างหากนะคนหนุ่มคนวัยกลางคนคนที่ยังมนาะมัวแต่เที่ยวกินเล่นคุณรู้ป่าว่าตัวเองต้องแก่นะนะเราเข้าสู่งานใหม่ๆทำงานใหม่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเลื่อนตำแหน่งก็ตามเปลี่ยนที่แห่งใหม่มีงานใหม่มีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเราเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆปีใหม่การทำงานใหม่ปีงบประมาณใหม่นี้ก็ตามเนี่ยคุณจะต้องไม่ลืมแก่นะลืมอย่าไปลืมว่า เอ๊ะวันที่เกษียณอายุของฉันฉันจะเป็นยังไงอายุขฉันมากขึ้นไปแล้วฉันจะเป็นยังไงนะเก็บหอมรอมริบไว้ตอนนี้หรือเปล่านะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอุปกรณ์ฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆอย่าไปซื้อมันนะให้เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์นะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานขยันเล่าเรียนหนังสือเป็นต้นเนี่ยเราก็จ ะ, จะชื่อว่าเป็นคนที่ไม่ลืมแก่แม้แต่เราจะยังไม่แก่ก็ตามอืมเจ้าค่ะในที่นี้หมายถึง ไม่ทราบโยมแปลความหมายถูกไหมนะเจ้าคะโยมคิดว่าพระอาจารย์ภัยบูลอภิปิโนโกำลังเตือนอสติท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังรายการหรือเป็นแฟนรายการของธรรมาราบรุนว่าอย่าประมาทนั่นเองไม่ว่าเราจะอยู่ในไวัยไหนประสมะวัยก็คือวัยต้นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงอายุ30ปีนะเจ้าคะหร <Hey, right. S 1> ือมัชฌิ ม, มวัยวัยกลางคนนี่ก็นับตั้งแต่30ปีขึ้นไปถึง60ปี พอหกิปีไปแล้วอย่างเกษียณอายุราชการเนี่ยเขาก็เรียกว่าปัจจิมวัยคือวัยสุดท้ายแล้ว่เจ้าค่ะอันนี้อันนี้โยมแปลความหมายถูกไหเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะคือคนที่อาจจะลืมในตอนต้นของชีวิตเอ้ยฉันต้องแก่นะลืมคุณประมาทพลาดพลั้งคุณกินเล่นเที่ยวดื่มใช่ไหมไม่เรียนหนังสื อ, อผ่านไปนะวัยกลางยังประมาทอีกไม่ขยันทำ ม, มากินไม่เลี้ยงดูครอบครัวทำปิดศีลพอถึงวัยปลายเนี่ยมันแก่เห็นเห็นแล้วนะ ผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวตัวเป็นจุดเดินงงเงินเงินแก่แล้วคุณจะจะลืมแก่อีกไหมแต่ถ้าคุณลืมมันเตือนให้เห็นแล้เห็นเห็นละแต่ถ้าคุณยังประมาทอยู่อีกโอ้โหนี่แย่มากคือถ้าประมาทในวัยทั้งสามแต่ถ้าเราเห็นเห็นแล้วว่าตัวเราแก่เงินเรารีบเร่งทําความเพียรในการไม่ประมาทโอกาสว่างแล้วพรุ่งนี้ฉันไม่ต้องไปทํางานแล้วอันนี้คือคุณไม่ประมาทนนั้ในขณะเดียวกันคนอื่นที่เห็น่ะ คนที่อยู่ในวัยต้นคนที่อยู่ในวัยกลางเออเราเห็นว่าคุณนี้เขาแก่คนนี้เขาปวดเขาเจ็บเป็นโรคเป็นอะไรต่างเ อ, อ้เราก็ไม่ประมาทด้วยคือทําอะไรไม่ประมาทคือไม่ใช่หมายว่าคุณจะต้องไปเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมอันนี้ก็ก็สามารถทําได้มันจะไม่ใช่ว่าทํามไม่ได้ทําได้ทำได้ยี่นั้นในขณะเดียวกันเราทํำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เนี่ยก็ชื่อว่ามีธรรมะในงานของเราอย่างเรารับงานมารับงานหนึ่งมางานหนึ่งจากคนหน้าอย่างเงี้ยให้เขียนรายงานหรือว่าให้ไปหาข้อมูล เราทําอย่างดีอย่างถูกต้องตามระบบระเบียบใช่ไหมเราพูดจริงเราไม่โกหกเราไม่เบียดเบียนใครเนี่ยอันนี้ชื่อว่าคุณก็ไม่ประมาทแล้วนะทางานอย่างดีอย่างเต็มที่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในงานอันนี้ดีมากเลยโจค่ะพ อ, ะ พ, อพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าไม่ประมาทในวัยกลางคนแลนะ้ววัยต้นก็เรียนหนังสือเหมือนกันนี่แหละเรียนหนังสืออย่างขยันขันแข็ ง, ข ง, ขงก็ชื่อว่าไม่ประมาทในวัยของเรานะีก็คือไม่ลืมแก่ อย่าไปลืมว่าฉันจะต้องแก่เราก็แก่แน่นอนเราทำอะไรวันนี้นะคืออย่าประมาทนั่นแหละอย่างที่คุณดิใจพูดเนี่ยถูกต้องแล้วเจ้าค่ะและทีนี้โยมคิดว่าสำหรับในทุกๆวัยนะเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยต้นวัยกลางหรือว่าวัยสุดท้ายเนี่ยโยมคิดว่าสิ่งที่องค์พระสามดาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสเตือนแล้วก็ตรัสสอนไว้เสมอนั่นก็คือเรื่องของการที่ชีวิตคนเราเนี่ยเจ้าค่ะ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะเจ้าค่ะดังนั้นก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าต้องแก่ซะก่อนถึงจะตายนะเจ้าค่ะใความตายอาจจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใเจ้าค่ะตอนนี้ในในกรณีนี้อยากให้พระอาจารย์ภัยบุตรได้เมตตาให้ให้ธรรมะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังขยายความอีกนิดนึงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็จะพูดถึงสองประเด็นอสามประเด็นนั่นคือความแก่ความตายแล้วก็คําว่าไม่ประมาทมันเป็นยังไงกันแน่เจ้าค่ะในความแก่เนี่ย ผูเ้เรียนตัดไวชัดเจนนะว่าความหมายของความแก่เนี่ยคือความที่สิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุนะความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในความเปลี่ยนแปลงแห่งอินทรีย์ของเราอย่างเช่นจากเด็กทารกเอามาเป็นเด็กที่เดินต่อแตะจากเด็กต่อแตะเดินมาเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยก็คือคุณแก่จากเด็กวัยรุ่นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นนี่คือแก่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยอย่งมะม่วงสุกอย่างเ ง, งี้ยก็คือเขาจะเรียกว่ามะม่วงแก่นะเพร้อมกินได้ แต่มันคือมันโตเต็มที่มันเจริญเต็มที่ก็จึงเรียกว่ามะม่วงแก่เงี้ยนะเจ้าค่ะความแก่นี่ก็คือความเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปของอายุนะก็คือพูดง่ายๆคือเราแก่มาตั้งแต่เกิดแล้วะนะเราเป็นเด็กทารกอยู่เราแก่ขึ้นมาเขาก็เรียกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยก็คือใช้คําควาา่าแก่เหมือนกันนะแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะเข้าความตายก็เหมือนกับคําว่าเข้าใกล้ความตายไปอีกปีหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่นะซึ่คือคําเดียวกันแต่เพราะนั้นเราแก่มาตั้งแต่เกิด นะในความหมายของธรรมะเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยคือาอายุเราสิ้นไปสิ้นไปเนี่ยทุกวินาทีทุกวินาทีนะ่ยคือคุณแก่ไปทุกวินาทีแก่ลงไปทุกวินาทีนะแต่ไอ้ความแก่เนี่ยมันจะปรากฏสภาพให้เห็นหรือเปล่านะคือมันก็ต้องมีเรียกว่าแก่งอมใช่ไหมเจ้าค่ะแก่จนเห็นว่ามันเริ่มมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอย่างถ้าเป็นมะม่วงเนี่ยก็คือแก่จนกระทั่งผิวมันเป็นจุดๆมีดำๆเกิดขึ้นแก่จนเน่าอย่างนี้เห็นสภาพเจ้าค่นะ ในขณะที่คนเราบางทีแก่จนทั้งผมหงอกนี่ก็เห็นว่าแก่ๆแต่จากวัยรุ่นอายุ20เป็นอายุ25อย่างเงี้ยเฮ้ยอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ความแก่มีแน่นอนการเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจึงไอ้ที่มันไม่เห็นเนี่ยแหละทาให้เราประมาทโจ้ค่ะไอ้ที่เห็นๆเนี่ยเราอาจจะไม่ประมาทเราก็คนที่ไอเกษียณแล้วเนี่ยตัวเองปวดอยู่ป่วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเริ่มที่จะทรงสติใน ความไม่ประมาทละแต่ที่มันไม่เห็นเนี่ยมันซ่อนรูปอยู่เนี่ยทําให้เราประมาทได้เพราะฉะนั้นก็จึงเตือนๆกันมาตรงนี้ว่าเอออย่าลืมแก่นะเราแก่ทุกวันนะเราแก่อาจจะไม่เห็นรูปแก่ซ่อนรูปก็มีนะอย่างนี้นะเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์พบยุโนพิพโนจ ะ, ะเพิ่มเติมนี่ประเด็นที่หนึ่งเติมเจ้าค่ะประเด็นที่สองก็คือเรื่องความตายนะความตายเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยนะ จริงๆแล้วเรามาพิจารณาดูร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอวัยวะต่างๆถูกไหมไอ้อวัยวะต่างๆนี่ก็ประกอบด้วยเซลล์นะเซลล์ของอวัยวะใช่ไหมเซลล์ของอวัยวะเนี่ยก็ประกอบด้วยโมเลกุลนะที่เป็นไฮโดโครคาร์บอนเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนไออออะไรต่างมารวมกันเป็นโมเลกุลโ <ๆ S 2> มเลกุลคุณแยกออกไปนก็เป็นอะตอมะอะตอมแยกไปอีกก็เป็นนิวเคลียสอิเล็กตรอนอะไรต่างแยกกันไปเป็นธาตุเป็นนั่นเป็นนี่อะไรออกไปเยอะแยะไปหมดนะ <karaoke> เราจะพบว่าในทางการแพทย์เนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยนะเซล์ของเราเนี่ยนะที่ประกอบเป็นอวัยวะเนี่ยนะมันตายลงไปทุกวันทุกวันนะเซลเม็ดเลือดนะตายไปนะเปลี่ยนแปลงใหม่หัวใจเซลล์หัวใจของเราเองก็ตามนะตายไปเซลล์ใหม่ก็โ ต, อตอขึ้นมาใหม่เซลล์นี้ตายไปเซล์ใหม่ก็โตขึ้นมาใหม่ภายในสองสาปีเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นเซลลใหม่ทุกตัวเลยนะอืมเจ้าค่ะคุณรู้แบบว่าเล็บที่ออกมาออกมาของเราเนี่ยก็คือเซลลที่ตายนั่นเอง แล้วเราก็ตัดไปนะจะ๊ะเราก็ตั ด, ต<า>ดไ ป, ไปผมที่เรายาวอยู่ทุกวันทุกวันก็คือเซลล์ที่ตายนั่นเองนะเพราะนั้นจริงๆเราตายอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะเป็นแต่ความตายที่ซ่อนรูปอยู่นะมีความตายปุ๊บไอการเกิดเซลล์ใหม่มันก็เข้ามาแทนที่นะมันจึงเหมือนกับไม่เห็นภาพนะจริงๆความตายมีอยู่ตลอดเวลาอย่างไฟฟ้าอย่างเงี้ยไฟฟ้าที่เราเห็นเปิดอยู่ตามบ้าน น, cent, นี่นะหลอดฟลูออเรสเซนส์หลอดนีออนพวกเนี้ยนะจริงๆแล้วมันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลา แต่เพราะว่ามันเกิดมันดับมันถี่มากในเวลาเขาเรียกไฟฟ้าสลับกระแสสลับเนี่ยก็เพราะว่าความที่มันเกิดดับติดดับติดดับติดดับติดดับตเนี่ยถี่มากจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะเห็นความสลับไปตรงนี้ได้เช่นเดียวกันไอ้เซลล์ของเราเนี่ยมันเกิดตายเกิดตายป๊๊อปป๊จนถี่มากจนเราไม่เห็นว่าสภาพมันเป็นยังไงจนกระทั่งมันตายแล้วมันไม่เกิดไม่ได้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นละวเอาผมงอกละเอาไอ้เซลล์เม่ได้สีที่มันผลิตได้อะมันไม่ผลิตละ นะไอ้ริ้วรอยต่างๆในหน้ามันเกิดมีมากขึ้นก็คือเซลล์ที่มันตายไปแล้วมันไม่คืนสภาพเดิมละอันนี้คือความแก่ที่ปรากฏเห็นรูปร่างนะแต่ไอ้ความเกิดตายเนี่ยมีอยู่ตลอดนะเกิดตายเกิดตายเพราะนั้นตายเราตายอยู่ตลอดเวลาแล้วนะคุณไทยอุจร้มาทีหนึง่งโอ้โหเซลล์ตายเป็นเบือ่อเซลตัวเอง <c oughs> ด้วยนะเซลล์ <c oughs> ตัวเราเองด้วยนะไอ้ผนังเยื่อหุ้มในท่อลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ตายออกไปหรือว่าเม็ดเลือดของเราก็หลุดออกไปตามนั้นก็มี มันมันตายตลอดเวลาเราอย่าประมาทนะอันนี้คือความแก่ความตายนะประเด็นที่สองเจ่ะส่วนประเด็นที่3มที่จะเพิ่มเติมมีก็คือเรื่องของความไม่ประมาทนะความไม่ประมาท ย, ยังไงเรียกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยมันคือยังไงนะคือธรรมะของพระเจ้านี่มีเยอะมากของเธใจเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำสมาธิเรื่องสีเรื่องการ ก, า ร, กระทันยุเรื่องความขันติโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะแต่ทำไม ห, หลายหลายคนพูดถึง8 000, 4, 000, ป0 0 0ื่พันพระธรรมขันธ์นะนะ จริง ๆ, ๆ, ๆอันนี้เป็นสัมนวนที่ในสมัยพุทธกาลที่เขาพูดแปดหมื่นสี่พันแปดมื่นสี่พันนะก็คือปริมาณมากๆเยอะมากเลยในอย่างสมัยปัจจุบันเขาเรียกไอ้โ จ, น500จรนห้าร้อยคือมันมันมันโจนมันชั่วมากอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ว่าใช้คาอะไรก็เลยใช้คําว่าห้าร้อยแทนคำว่ามากอย่างเงี้น ะ, ะ, ะแต่ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าจัดอัตรากําลังของกองกําลังโจนว่าต้องมีจำนวนห้าร้อยนายอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแตเป็นตัวแทนของความที่มากมายหลากหลายของธรรมะ คือธรรมะที่พระชาติประกาศทั้งหมดในคุณตูนใจมันเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทแต่เพราะนั้นถ้าเราจะมาแจกแจงให้มันออกเป็น 84%,00 มมากมายหลายอย่างโอ้โหมันได้มากกว่า 84%00 มีอีกเอา้า <Okay. S 1> นะมากจริงๆมากจนนับไม่ได้เอา้าทีนี้เราเลยจะต้องพระชาติจึงพยายามที่จะอย่างน้อยนับให้มันได้นะจัดหมวดหมู่ให้มันถูกต้องนั่นก็คือจัดอยู่ในอริยมรรคมีองค์แน่นมรรคมนั่นเองนะ มักแปดก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาปาจาสัมมากรรมฐานสัมมาอาชีวะสัมมาวยามะสัมมาสติสัมมาสตังทินี่นะพูดเร็วๆนั้นแต่ถ้าพูดสั้นๆลงไปอีกนะก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาถ้าจะให้สั้นลงไปอีกนั่นก็คือสมาธวิปัสสนาถ้าจะให้สั้นลงไปอีกก็คือจิตตัวเดียวอืเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยก็คือถ้าเราจะพูดก็คือว่าคุณปฏิบัติตามมักมีองแปลกก็ได้ โอ้โ ม, มันม่ยังแล้วต้อง8อย่างจํายังไม่ได้เลยเมกี้พูดมาก็เร็วเหลือเกิน <c oughs> เอาสาม อ, อ, อย่างก็ได้อศิลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่ก็พอจะจําได้นะเอาถ้าเอาสั้นลงไปอีกนะเอาแค่สมถะมิปัสสนาเอาสั้นลงไปอีกเหลือแค่จิตอย่างเดียวเรารักษาตรงนี้ได้ไหมแต่นะถ้าเรารักษาจิตของเราตรงนี้ได้เนี่ยคือชื่อว่าคุณไม่ประมาทละรักษาตอนไหนใบต้นของชีวิตคุณรักษาได้ไหม นะว่ยกลางของชีวิตคุณก็ต้องรักษาว่ยปลายของชีวิตคุณก็ต้องรักษารักษาอย่งไรเรียกว่ารักษาจิตอย่างเช่นว่าเวลาเราทํางานอยู่คุณจะทําอะไรก็ได้นะจะไม่ว่าจะเรียนหนังสือจะทํางานหาเงินไปเที่ยวต่างประเทศไป อ, อะไรก็ได้ละ่ะนะไปกินข้าวในโรงอาหารอย่างนี้ก็ตามนะไปพักคาอย่างนี้ก็ตามเนี่เราจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อจิตของเราได้รับการรักษาแลนะยังไงเรียกว่าจิตได้รับการรักษาก็คือจิตของเราเนี่ยไม่ไหลไปตามสิ่งที่มา กระทบสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะอย่างคคสมมติเราไปพระคารรูๆสักแห่งหนึ่งโอ้โหอาหารมาอย่างดีเลยหูฉลามมอละสามพันอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีขายหรือเปล่าคงจะเป็นมอละห้าพันแล้วถ้ามันดีๆเนี่ยบางอันเป็นหมื่นเจ้าค่ะออมอสละเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟมาปุ๊บโอ้โหจิตใจของเรานี่วุ่นวายไปเลยคือไหลไปตามน้ําลายไหลแล้วก็อืหมีความอยากขึ้นมาทันทีเนี่ยนะแสดงว่าจิตของเราไม่ได้การรักษาละไหลไปตามภาษาที่หมากระทบ นะคือไหลไปตามตาที่เห็นรูปไหลไปตามลิ้นที่ได้กระทบรถนะไหลไปอย่างนี้เราก็จะมีความลุ่มหลงนะมีความลุ่มหลงจับอกจับใจลุ่มหลงจับอกจับใจแล้วเราก็จะมีความยึดมั่นมวัวเมาพัวพันนะพอมีความยึดมั่นมวัวเมาพัวพันแล้วเราจะจับอกจับใจมีความจับอกจับใจแล้วเราก็จะมีความหวงกันนะตักไปตักไปอ้าวเจอเส้นผมอยู่ในหม้อหูฉลามหม้อละมือนเนีย <S 1> <S 1> <S ่ยนะเจอเส้นผมนะโอ้โหจี้ขึ้นมาทันทีว่า หมอละมืนยังมีเส้นผมแถมให้ด้วยเนี่ยนะมันก็จะมีความเออโกรธขึ้นมาทันทีเจ้าขานะคือฉลามมันไม่มีคนอ่ะทําไมมีผมของคนก็ไปอยู่ได้ไงเจ้าขาก็เลยจะโกรธขึ้นมาทันทีเอ้ความโกรธตรงเนี้ยคือชื่อว่าจิตคุณไม่ได้รับการรักษาล่ะจิตคุณไม่ได้รับการรักษาล่ะจิตคุณก็จะมีความวันไหวไปตามสิ่งนที่มากระทบอันนี้ชื่อว่าอประมาทอยู่ยังประมาทอยู่หรือว่าเขาชวนเราไปทําผิดศีลน่ะ กินเหล้าเมาเบียรนะไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนันนะวัยต้นอย่างเงี้ยชวนไปเสพยาเสพติดอย่างเงี้ยนะวัยรุ่นนะ่ยแล้วเราไปเราทําสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งนี้เป็นอกุศล น, นะคุณทำํำนะคุณไหลไปตามเพื่อนคุณไหลไปตามสิ่งที่มาโยโยนอ้านี่คุณประมาทละนะัคือประมาทละถ้าเราทําด้วยความที่ไม่ประมาทคือรักษาจิตของเราไม่ให้ไหลไปตามสิ่งนั้นนะถ้าจิตมันไม่กระดิกเนี่ยไอ้มือก็ตามขาก็ตามปากก็ตามมันก็จะไม่ขยับตาม คือเข้าข่ายว่าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกอ่าคือเราพยายามที่จะรักษาจิตของเราไว้นั่นจิตของเราไม่กระดิกไปไหนนะตัวเตอร์อะไรมันก็ไม่ไปเหมือนกันที่ไม่ไม่จิตให้นิ่งไว้ใช่ไหมใช่ทําจิตให้นิ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณนอนอยู่เฉยนะหรือคุณไม่ทําอะไรไม่อ่านหนังสือไม่ทํางานไม่ใช่นะคือคุณจะทําอะไรก็ทําไปแต่ไม่กระดิกไม่ใส่แสกทรายไม่ไหลไปตามให้นิ่งอยู่เนี่ยก็คือ ไม่ไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นอกุศลหรืออันนี้เป็นอกุศลนะคือสำหรับพวกโจรอย่างเงี้ยเขาจะบอกขโมยดีแตนะสิ่งขโมยการขโมยเป็นสิ่งที่ดีอย่างพวกโกงอนักการเมืองโกงก็บอกโกงสิดีใครๆเขากงกันไม่โกงแล้วะเอาเงินทะี่ไหนมาจ่ายตอนเลือกตั้งนะเจ้าค่ะมันก็มันก็เป็นความชั่วที่เขาบอกว่าเป็นคนชั่วบอกว่าความชั่วดีอยู่แล้วนะนึกออกไหมเพราะฉะนั <c oughs> ้นมันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่บัญญัติมาตรฐานตรงนี้นะ ก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีความชั่วอยู่ในใจนะหรือว่าถ้าเป็นนักนักฆ่าอย่างเงี้ยเขาบอกฆ่าศีดีได้เงินนะในขณะที่เราต้องดูที่มาตรฐานการวัดนะของใครนะที่เป็นคนที่ไม่มีความชั่วอยู่ในใจนั่นก็คือที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้พนระเจ้าได้บ่งบอกถึงความการทำความดีนะเราไม่ต้องอะไรมากเอาแค่สี5ห้าก็พอคุณต่ใจแตนะถ้าเราไม่ทาผิดศีลเลยตั้งแต่เราเกิดมา นะหรือว่าตั้งแต่เราที่จะระลึกได้ว่าเอา้าฉันไม่ทำผิดศีลนะฉันอยู่ในปฐมวัยอยู่ในวัยต้นฉันก็จะไม่ทำผิดศีลวัยกลางวัยปลายฉันจะไม่ทำผิดศีลแค่นี้ดีมากๆเลยนะชีวิตของเราจะดีขึ้นมากๆเราดีขึ้นอย่างนี้แล้วนะกุณแจใจ เ, เวลาที่เรามีศีลเนี่ยจิตเราเนี่ยจะไม่มีความร้อนใจจะมีความไม่ร้อนใจเจ้าค่ะนะพอเรามีความไม่ร้อนใจแล้วเนี่ยเราจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในจิตของเรา พอเรามีความอิมเมอมใจความสบายใจอยู่ในจิตของเราเนี่ยจิตตรงนี้คือจิตที่เป็นสุขนะจิตที่เป็นสุขไม่ต้องมีความกังวลว่าไอ้ใครจะมาโจดเราด้วยเงินที่เรายอกยอไปหรือว่าเราทํางานไม่เรียบร้อยเขาจะมาด่าบ้าเราไหมหรือว่าเราไปกินเหล้าเราพูดโกโหกเขาจะจับได้ไหมอย่างเงี้ยไม่มีเลยเพราะเราจะสบายใจจริงๆแต่เพรารเราไม่ได้ทําอย่างนั้นพอเรามีความสบายใจไอ้ความเป็นสบายใจความสุขใจตรงเนี้เป็นการวัดระดับของสมาธิคือจิตที่เป็นหนึ่ง นะคือจิตที่มีความเร่าร้อนขับแค้นเนี่ยนะเพราะว่าความทําปิดสีเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่ไม่สบายนะจะเป็นจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่เป็นหนึ่งจิตที่วุ่นวายในขณะที่ถ้าเรามีความสบายใจความอิ่มใจความสุขใจเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการวัดระดับของสมาธิที่ดีได้เนะี่ยพอเรามีสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นตามความจริงแนะว่าโลกเป็นยังไงมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเห็นความเกิดความดับเห็นความไม่เที่ยงได้แต่พอเราเห็นตรงนี้ได้เรียกว่ามีปัญญาละ เรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางจากอะไรนัปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ดีนัปล่อยวางจากสิ่งที่มายั่วยวนสิ่งที่มาจะดึงให้เราไปในทางชั่วความหลอกลวงสิ่งที่ผผด็ศีลเราไม่ทำเพราะเป็นอย่างนี้ได้เรารักษาตัวเะจิตนั้นชื่อว่ารักษาละจิตรักษาละชื่อว่าไม่ไม่ประมาทละถ้าคุณทำอย่างนี้ได้คุณอยู่ในับไหนล่ะอยู่ปฐมว่าใาคุณเริ่ม คุณกเกษียณแล้วคุณเออร์ลี่ก็ตามเออร์ลี่รีทายก็ตามอาคุณชื่อว่าไม่ประมาทนะอย่างนี้เราจะเรียกว่ารักษาตัวเราเองอย่างดีมากพอเรารักษาตัวเองด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจะทําอะไรอยู่ก็ตามคุณจะจัดสวนะรับตำแหน่งใหม่เรียนต่อปริญญาโทนะเลื่อนขั้นอะไรก็ตามเถอะนะเรารักษาจิตอย่างนี้แล้วเราชื่อว่ารักษาตัวเองรักษาตัวเองอย่างนี้แล้วนะคนที่เราคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยก็ชื่อว่าได้รับรักษา คนที่เราอยู่บ้านเดียวกับเขาด้วยก็ชื่อว่าได้รับการรักษานะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานที่ติดเราติดต่อด้วยเขาก็ชื่อว่าเราได้รับการรักษาจากเราเงี้ยโจค่ะคือรักษากันทั้งสองฝ่ายโจค่ะก็คือว่าพอเรารักษาจิตเราได้นี่ ก็จะมีมีจิตที่จะไปคิดเบียดเบียนเขานะเจ้าคะไม่มีือว่าไป<ล><ช>ทําให้เขาเกิดความร้อนใจหรือว่าอะไรใช่ไหมเจ้าคะใช่เวลาในรายการยังเหลือประมาณสัก2นาทีนะเจ้าคะโยมอยากขากความเมตตาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโ น, โนได้สรุปเป็นแง่คิดสําหรับเช้าวันนี้แล้วก็เช้าวันพรุ่งนี้โยมจะกราบนมัสการแล้วก็เรียนถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการที่จ ะ, ะวิธีการที่จะรักษาจิตในแต่ละช่วงวัยนั้นเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เพราะฉนันสรุปในในวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทที่เราเพิ่มเติมมาเรื่องของอความที่เราไม่ลืมแก่ก็ <Okay. S 2> นะ ค, คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราอย่าลืมแก่นะเห็นว่าไอ้สภาพที่มันคงที่อยู่จริงๆเนี่ยมันแก่อยู่ตลอดนะลูบไปตุนตัดเล็บทุกวันไหมคุณตัดเล็บทุกวันคุณตัดผมทุ ก, ท, ก, ท, กทุกเดือนไหมแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณเห็นความแก่อยู่แล้วเห็นความตายอยู่แล้วนะเราอย่าประมาท ด้วยการที่รักษาจิตของเราด้วยการที่ตั้งอยู่ในศีลด้วยการที่คอยที่จะประคบประคองจิตตื่นเช้ามาฟังธรรมะบ้างแล้นั่งสมาธิบ้างนะสาที่มีเวลาอไปวัดไสบาบ้างนะแล้วก็คอยที่จะพูดดีๆกับคนรอบข้างไม่มีเวลาไม่เป็นไรนะคนรอบข้างเราพูดดีๆกันไหมมีความรักความเมตตากันไหมนะคอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปไหนก็ซื้อของมาฝากอย่างเงี้ยชี้ว่าเรารักษาละนะเราอยู่ในวัยไหนเป็นอย่างนี้ก็ไม่ประมาทคนที่อยู่รอบตัวเราก็มีความสุข นะสังคมครอบครัวเพื่อนร่วมงานสำนักงานทุกอย่างก็ดีดีขึ้นมาและเพราะความที่เราเห็นความไม่ประมาทในปัจจุบันของเราเท่านั้นเอง สาธุเจนะ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้แง่คิด อ, อย่างดีมากๆจากการสนทนาธรรมะหรือสากฉาของท่านพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโรพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรเริกเลนปฏิบัติธรร ม, มตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวันนี้มีพระเดชพระคูหลงพ่อดออรสะอาดทิโตภโซหรือท่านพระคูสิทธิปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ทรง ีไปด้วยความเมตตาอย่างยิ่งเลยนะคะค่าเช้าวันนี้ก็คงจะต้องกราบน้อมสักการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอ่าและก็หลวงพ่อดรสะอาทิตย์ตัสโสเพียงแค่นี้นะคะ พรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะตั้งแต่เปิดสถานีตอนตีห้าถึงตีห้าครื่งเหมือนเคยค่ะที่ฉันก็จะได้นำท่านเ่ ง, างทางบ้านมารับฟังท่านพระอาจารย์องค์ปาถุก ข, ของเราคือพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนท่านได้สากชาหรือสนทนาธรรมกันต่อ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะรักษาจิตของเราในแต่ละวัยหรือแต่ละ ช่วงอายุของเราให้อย่างดีที่สุดนั้นได้อย่างไรด้วยวิธีใดบ้างนะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอกราบน้ำมัสการขอประคุณและกราบน้ำมัสการลาเจ้า่ะพระเจริญเจ้าขะเท็นพาน ส, สาธุเจ้าค่ะ